วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามแล้ววันนี้ยี่สิบสามกุมภาห้าหนึ่งวันที่สามสิบมีนาเป็นวันทําบุญครบรอบวันมรณาภาพของคุณแม่ชีแก้วปีนี้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเอาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาเป็นหลักจะตรงกับวันไหนไม่ว่ากัน ต, ตามที่จริงวันมรณภาพของคุณแม่เป็นวันที่สิบเจ็ดสิบแปดมิถุนาแต่ดูแล้วมันใกล้กับชาวนาเพราะทิศนั้นเป็นที่ทําพวกเขาทําไร่ทํานากันทั้งอําเภอว่ากันเกือบจัะวัดทั้งจังหวัดก็ว่าได้เรื่องอาชีพทํานาของเขาเป็นเรื่องใหญ่ในทิ่นั้นเพราะนั้นเราไปจัดงานวันที่สิบเจ็ดสิบแปดไป เวลาเขาลงคำนาแล้วไม่สะดวกเราก็เลยเลือดมาเป็นวันที่สามสิบมีนาอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาจะสะดวกกว่าต่ตามไม่จริงหลวงพ่อก็อบางคนเอา้าทำไมไม่ทำให้ตรงกับวันมรณะภาพของคุณแม่เลยหลวงพ่อก็ให้เหตุผลอย่างนี้หลวงพ่อก็ให้เหตุผลต่อไปอีกว่า นี่แหละลูกค้าชั้นดียังไม่ถึงกําหนดจ่ายดอกจ่ายผลก่อนจ่ายทุนก่อนลูกค้าชั้นดีต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะทะเลถลายเกินไปเป็นห้าวันสิบวันเดือนสองเดือนอ่ายังค่อยจ่ายต้นจ่ายดอกอันนั้นแปลว่าลูกค้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อไปก็เบี้ยหนี้ไปไเรื่อยว่างั้นแหละลูกค้าชั้นดีเนี่ยต้องต้องจ่ายหนี้ก่อน ต้องใจต้นใจดอกก่อนก่อนกําหนดการสร้างคุณงามความดีคุณงามความดีบุญกุศลไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนใครๆก็ต้องการครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันในครั้งพระพุทธเจ้าท่านภูมีอุปนิสัยเก่ามันแปลกเหมือนกันนะอุปนิสัยคำหนึ่งคนที่บีบุญบัลมีคนที่มีอุปนิสัยเก่ามันเป็น คล้ายว่ามันเป็นอะไรเป็นอุปนิสัยเป็นสันดอนอ่าทายแกวาวไอเป็นสันดอนเป็นสันดานแห่งการทำคุณงามความดีเหมือนกับคิดขึ้นมาเวลาใดมิจตเพื่อจะทำดีเพื่อจะสร้างบุญกุศลเพื่อจะทำดีให้แก่ชุมชนสังคมต่อประเทศชาติมันตรงกันข้ามกับคนที่ว่ า, าสันดอนสันดานชั่วคิดอะไรมิจต อยากจะเอารัดอยากจะเอาเปรียบได้น้อยนึงก็เอาเอออยางนักเรตตาเขียวปัดใส่เขาก็เอาเออทำอะไรไม่ได้บางง้ยแต่ทำมากกว่านั้นกันเอาละเนี่เอาเปียบเขาละไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่ทางรับก็ทางแจ้งบางเง้ยแตะจะทำยังไงจึงจะได้เอารัดเอาเปรียบเขาได้อันนี้แปลว่ามันมาจากจิตใจส่วนลึกเหมือนกันของ ของคนคนนั้นแต่ถ้าว่าบุคคลที่เป็นบุญกุศลที่สั่งสมบุญกุศลมาด้วยดีแล้วคิดออกไปก็คิดไปในทางที่ดีเมื่อคิดในทางที่ดีแล้วพูดออกไปก็พูดในทางที่ดีทำออกไปก็ทำในทางที่ดีจิตใจก็เป็นกุศลการพูดการกระทำก็เป็นกุศลเป็นทางดีไปด้วยถ้าตรงกันข้ามก็คือ คนที่เป็นบาปคนที่ไม่คิดไปในทางที่ดีมีแต่คิดจะเอารัดเอาเปรียบแต่ทํายังไงจึงจะคดจะโกงถึงจะอะไรกับคนอื่นได้อันนี้มันตรงกันข้ามกันอันนี้คือผู้ที่ ส, สแวงหรือว่าเป็นผู้บำเพ็ญคุณงามความดีโดยสม่ำเสมอแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างในธรรมปทักถานะอย่าง พระมหากบินพระมหากบินเป็นพระราชาท่านครองราชแต่ก็คงจะไม่ประเทศชาติใหญ่เป็นประเทศอคงจะเป็นเป็นประเทศหนึ่งแต่ก็เป็นที่ยอมรับเป็นประเทศที่สมบูรณ์ท่านก็แ ส, สวงหาแต่ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในจิตใจของท่านเหมือนกันะอื จะทำยังไงจึงจะมีความสุขหรือ ว, ว่าประสบความสำเร็จเรียก ว, ว่าสิ่งดีๆว่าไงนะ่ะสิ่งดีๆมีไหมสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นมาในโลกได้มีไหมท่านก็มีบริวาลทังพันหนึ่งทหารทหารส่วนตัวว่าไงนะ่ะไปว่าขี่ม้ารอบเมืองหรืว่างน่ตรวจการต่างๆ เป็นพระเจ้าแผ่นดนินคงจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินหนุ่มั้งกาลังไฟแรงเหมือนกันเลอแปลว่าตรวจตาราราชอาณาเขตของพระ อ, องค์พอไปไปเห็นพ่อค้าม้าพ่อค้าม้ามาฝูงใหญ่เลยถามเอ๊ะพ่อค้ามาจากไหนพวกผมมาจากกรุงสวัสถีไปค้าม้าจากทางนน้นมาเออเป็นไงแถบนู้นมีอะไรไหมสิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้นมีไหมบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงยังไงลักษณะนักปทกรมันมีวิทยุโทรทัศน์ส่งข่าวกันใช่ไหมล่ะก็ต้องถามข่าวด้วยวาจาว่าจริงไหนเป็นยังไงบุคคลเกิดขึ้นมาหรือ ม, มีธรรมะมีนักปราชญ์อาจารย์มีทิศ ป, ปามโมกสอนวิชาอะไรที่พวกท่านทั้งหลายได้ผ่า น, านมาที่สิ่แปลกใหม่ มีไหมลักษณะอย่างนั้นน่ะถ้าทุกวันนี้ก็คงจะออกข่าวเรื่องต่างๆแต่ทุกวันนี้มันไม่มีใช่มีแต่ว่าถามข่าวจากพ่อค้ามา้าพ่อค้าม้ามันไปหลายประเทศหลายอำเภอหลายจังหวัดมันผ่านผ่า น, านมาขายซื้อม้าไปเลยค้ามา้าขายม้าไปเลยทั้งซื้อทั้งขายวย่างนั้นแี่เดกก็มาถึงประเทศของพระ อ, องค์พท่านพระมหากบิน ท่านก็ถามว่าแน่สิ่งดีๆที่ผ่านมามีอะไรบ้างพ่อขามา้าบอกข้าวได้ไหมพ่อขามา้าโอ้ได้ที่ผ่านๆมาที่กรุงสวรรค์มีพระสงฆ์เกิดขึ้นไม่เคยมีมาก่อนเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกพราพุทธเจ้าอืเกิดขึ้นมาแล้วในโลกกําลังสั่งสอนพี่น้องประชาชนกรุงสาวรรค์คนทั้งหลายกําลังเคารพนับถือกันเลย พอได้ยินพระพุทธเจ้าปุ๊บเหมือนกับหูดับเลย ว, ว่างั้นเถอะนี่เขาว่าอุปนิสัยฮะอุปนิสัยคือแค่ว่าสังสมบูรณ์กุศลมาแล้วคือแค่ว่าหิวก็หายอย่างเต็มทนว่างั้นเถอะที่จะได้ขอให้เกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตแล้วก็ขอให้ได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและจะได้สำเร็จมรรคผล ผู้ข้าเกิดมาพบนี้ชาตินี้รู้อย่างพวกเราเกิดมาเนีนะ่เกิดมาเออข้าพเจ้าจะไงพระพวกข้าพเจ้าภาวนาอยังไม่สําเร็จนะยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่แต่ใจไฟสูงว่าถึงยังไงไม่สําเร็จในชาตินี้ก็ขอให้เกิดในภพหน้าชาติหน้าแต่สุดท้ายก็คือขอให้พบพระศีรยะเมตไตามาตรในโลกก็ขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังโอวาทเฉพาะพระพัก เฉพาะพระพุทธองค์แล้วก็ขอให้พระพเจ้าสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในภพนั้นชาตินั้นะอันนี้คือความมุ่งหวังหรือความมุ่งหมายของของดวงวิญญาณของพวกเราอ่างนั้นนี่คือต้องการอยากจะพ้นทุกข์จะไม่ขอมาเวียนไหวตายเกิดอีกเกิดภพใดชาติใดก็คงจะเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วไปขึ้นมาเสีย อ, อกเสียใจร้องโหยร้องไห้หาการเดือดเงินหาเงินหาทองหา ยศถาบรรดาศักดิ์อยู่อย่างนี้แหละอแล้วก็แก่เจ็บตายเกิดมาชาติหน้าก็เป็นอีกถ้าจะว่าไปมันน่าราคาญน่ารําคาญไม่น่าพึงปาถนาเกิดมาในโลกใช่อยู่ดีมีสุขอย่างทุกวันออก็พอทนพอไหวแต่เวลาคิดว่าใจจะขาดก่อนที่เขาจะเอาไปเผาไฟนลยทีเพราะมันไม่คิดว่ามันไม่สนุกสักหน่อยในจุดนั้นคิดดูเวลาไหนกระสุงทุกครั้งเหมกันเลยเพราะเหตุไรเพราะ คนเราเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพวกเราจึงมีความใฝ่ฝันปรารถนาอยากจะพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนั้นคือจุดประสงค์สูงสุดของทุกดวงใจที่ได้อบรมดีแล้วเพราะงั้นได้ศึกษาได้ศึกษาได้อบรมดีแล้วต้องคิดอย่างนั้นเพราะงั้นแต่ในพระมหากบินท่านก็สั่งสมมาอย่างนั้นเหมือนกัน พอมาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองเมืองเมืองหนึ่งในเมื่อปกครองแล้วแต่นี้ท่านก็ย่างว่านตรวจลาตะเวนประเทศชาติของท่านพร้อมกับทหารคู่ใจท่านพันหนึ่งเมืองนั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินหนุ่มรอบปานครก็ไปเห็นพ่อค้าม้าอย่างที่ว่าน่ะอืก็าถามพ่อค้ามา้าว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลก เหมือนกับอะไรเอาฝ่ามือตบหูอย่างแรงอย่างเงี้ยปิงอะไรสลบอย่างั้นเนี่ช็อกความรู้สึกขึ้นมาเฮ้โพดอะไรก็อยางั้นเขาพูดว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกเดี๋ยวนี้ท่านประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวัดป่าเชตตวันเนี่ยปิงหูดับอีกอย่างเง้ยเนีนครั้งที่สองจนถึงครั้งที่สามอย่างเงี้ยเขาพูดขึ้นมาเอีพยผู้ขว่า เป็นยังไงพุทธเจ้าโอเป็นสยําพูพระสงฆ์ห้อมล้อมสงงางามเป็นผู้ประกาศพระธรรมแล้วก็พระธรรมเกิดขึ้นมาในโลกคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นมาแล้วคือทําคําสั่งสอนเผยแผ่ขยายผลเพราว่าเหมือนกับหูดับอีกเหมือนกะนสามครั้งอีกเหมือนกันจากนั้นกับพระสงฆ์ที่นําพระธรรมของพระพุทธเจ้า มาเผยแผ่ขยายผลมีประสงค์สาวกของพระพุทธเจ้าฮูดับอีกนะเนสรุปแล้วก็คือาราชสัพย์ของพระองค์แต่ละครั้งละครั้งเนี่ยมอบให้แก่พ่อค้าม้าเั้นอนกันแต่คำพูดสามแสนสามแสนเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกมอบให้พ่อค้าม้าให้เป็นรางวัลสามแสน พระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกประกาศอีกให้กล่างว่าอีกสามแสนพระสงฆ์อีกประกาศอีกสามแสนนี่แหละจากนั้นเออปะใครจะไปกับเราเขาจะไปทล้วเนาะกันเราจะไปบวชเราจะไปพบพระพุทธเจ้านั่นแหละพวกอํามาตย์ทหาเรเหล่านั้นก็นพร้อมเหมือนกันอา้าวเมื่อพระองค์ไปข้าพระองค์ก็ต้องไปด้วยสิมาเนี่ยปุณสุก็เลยไปนี่แหละไปพบพระพุทธเจ้า แต่นี่ อ, อ, อครมเหสีของพระ อ, องค์ก็เหมือนกันพราข้าม้าก็มาเห็นอีกเนี่ยบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปกรุงสวัสดีแล้วเงี้ยอครมเหสีกับเมียของทหารหารทั้งหลายก็ตามไปอีกเหมือนกันจะไปทางไหนกรุงสวัสดีไปก็ไปเจอพ่อข้ามา้าอย่างที่ว่าพ่อข้าม้าก็กำลังเดินทางสวนมากับมาถามอีกเห็นไหมเห็นพวกผมเนี่ยเป็นผู้แนะนําให้ พระมหากระบินไปเจ้าแผ่นดินเล่าให้ฟังเอาพูดให้ฟังหนะ่อยสิเป็นยังไงานางอนุชานี่ยก็เป็นผู้มีบุญบารมีมาเหมือนกันสังสมมาด้วยกันเหมือนกันนอผลสโดยก็พูดให้ฟังอีกเนได้ถวายราชทรัพย์ให้แก่พ่อข้ามาอีกอย่างเก่าจากนั้นก็เดินผ่านไปมหากระบินก็ไปเจอไป พ, พบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าได้เทศให้ฟังนะ เทจฟังได้สาเร็จพระโสดาบันเมื่อเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต้นก่อนนะจากนั้นพวกนี่ก็เดินไปอีกไปพบพระพุทธเจ้าอีกแต่พระพุทธเจ้าได้ใช้ลิศนาเขานั้นะนะเอใช้อิทธิลิศคือไปแล้วไม่ให้ไม่ให้เห็นกันเอางั้นะเถอทั้งสามีพันยาไม่ให้เห็นกัดแต่พวกนั้นบวชหลอกบวดเป็นพระแล้วเอางั้นเถอะแต่นางอนุชาเนี่ยกับบริวารไปไปไม่เห็นพวกนั้นไปเห็นพวก สามีที่เป็นพลายชากับทหารหารเนพระพุทธเจ้าบันดาลด้วยฤทธิ์นางนีนก็ถามมาได้ยินว่าพระมหากบินมาบวชมาแล้วอยู่ที่นี่ไหมพระพุทธองค์เห็นไหมพระพุทธองค์บอกว่าให้ฟังธรรมก่อนเราจะแสดงธรรมให้ฟังแสดงแนวความคิดเห็นให้ฟังแล้วต่อไปยังค่อยจะเห็นต่อภายหลังแต่เดี๋ยนี้ตั้งใจฟังธรรมก่อน คือถ้าหากว่ามาเจอกันมาพบกันแล้วจิตใจมันจะฟุ้งซ่านมันลวนเลยใช่เหมพอสามีเห็นพันยานเห็นปงฟุ้งซ่านจิตไม่เป็นสมาธิจะเทศธรรมะให้ฟังมันก็ไม่เข้าแท้เพราะมันมันจิตไม่เป็นหนึ่งจิตไม่แน่วแน่จิตไม่เป็นหนึ่งจิตปงฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกให้ฟังทำก่อนแล้วจะเห็นต่อภายหลังจากนั้นก็พระองค์ก็เทศให้ฟัง พวกนางเหล่านั้นอค克มเมสีกับนางที่เป็นภรนยาของนายทหารเนี่ยได้สําเร็จพระโสดาบันแต่ฝ่ายพระสงฆ์ทีฟ่ฟังธรรมเทศนาการเดียวกันนั้นล่ะที่นั่งฟังอยู่ข้างหลังพระพุทธเจ้าได้สําเร็จเป็นพระอรหรนันต์นะเหตุการณ์เดียวมันแปลกแตกต่างกันอย่างนั้นนะคนหนึ่งฟังได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์คนหนึ่งฟังได้สําเร็จเป็นโสดาบันจุดแท้แบบาลมีของ แต่ละคนแต่ละท่านจากนั้นนางเหล่านั้นก็ขอบวชเป็นภิกษุณีแต่ดนะ น, นพระมหากบินนั่นก่อนบวชเป็นพระท่านก็ปฏิบัติท่า น, นก็อยู่ไปเรื่อยๆ อ, อุปนิสัยของท่านมหากระบินเนะี่ยพอบวชเสร็จแล้วท่านก็ไปอยู่ในสถานที่ใดไปอยู่ในป่าดงพงไัยที่ไหนพระสงฆ์จะได้ยินท่านบน่น ท่านบ่นท่านพูดเบิือนกับท่านเพ้ออย่างนั้นนะท่านละเมอเพ้อฝันะท่านเพ้ออย่างนั้นแอืมท่านจะบสุพูดสุกเนาะสุกเนาะสุกเนาะสุกเนาะสุกเนาะท่านว่าดนะพระสงฆ์ทางหลายก็นเลยพระมหากบิ่เนี่ยท่านคงจะคิดได้ขึ้นมาเวลาใดท่านคงจะคิดถึงสมัยท่านครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินเอท่านก็คงจะบ่นว่า คิดมาได้ก็คงจะคิดว่าสุขในขณะที่ท่านคลองราษท่านจึงบ่นเพ้อไปในสถานที่ต่างๆจนกระทึงพระได้ยินพระพุทธองค์ก็เรียกพระมหากบินมามหากบินเธอพูดเพ้อขึ้นมานั้นเพราะอะไรพระมหากบินก็บอกว่าข้าพระองค์จะไม่ขอกราบคูณพระพุทธองค์เพราะพระพุทธองค์ก็รู้แล้วว่าข้าพระองค์เพ้อเนี่ยเพราะอะไร เพราะนั้นข้าพระองค์จะไม่ขอทูนพระพุทธพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกเออใช่พระมหากบินเขาสําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วสมัยเมื่อเขาเป็นคารวาสเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเออตรียมพร้อมเตรียมรบเตรียมดูแลประเทศชาติเตรียมทหารมาอยู่ทุกหมู่ทุกเหล่าเพื่อตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่บัดนี้เขาปล่อยวางทุกอย่าง ขนาดกายขนาดใจของพระ อ, องค์เองเขาก็ยังปล่อยวางหมดแล้วพรผลนั้นเขาจึงว่าไม่มีความสุขใดยิ่งกว่าการปล่อยวางท่านจึงไปน่าสถ า, านที่ใดจึงว่าสุขนอสุขหนอสุข น, อข น, อขนอ้ออเนี่ยแต่พระมหากรบินนี่แหละท่านนี่แหละองค์หนึ่งท่านเข้าเข้าฌานสมาบัติเมื่อนั้นพอเข้าฌานสมาบัติท่านก็บอกอเราเนี่ยได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วหมดภาระทุกอย่างแล้ว เป็นพระอาเซฆอาเซฆแปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาเป็นพระอาเซฆาเป็นผู้ไม่ต้องศึกษาแล้วข้าพเจ้าไม่จําเป็นจะต้องลงอุโบสถเพราะว่ากายแห่กายจักรวิจีกรรมมโนกรรมของข้าพเจ้าไม่คิดที่จะไม่คิดที่จะคิดชั่วไม่คิดที่จะพูดชั่วไม่คิดที่จะทําชั่วอยู่แล้วอาบัตจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องลงอุโบสถนท่านก็นั่งสมาธ นั่งเข้าสมาธิต่อเไม่ลงอุโบสถถึงวันอุโบสถพระพุทธเจ้ารู้นะเอรู้ความคิดของพระมหากบินทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะพระพุทธเจ้าก็รู้แต่นนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเสด็จไปด้วยฤทธิ์เหมือนกันเลยเรียกว่าเหาะไปแล้วเสด็จไปด้วยฤทธิ์ไปก็ไปเหยียบฝ่าพระบาทลงตรงที่ใกล้กับพระมหากบินนั่งะ นั่งสมาธิไปเห็นเหยียบลอยลงไปพระมหากบรมินออกจากสมาบัติแล้วก็มาโอ้พระพุทธเจ้ามาแต่เนี่ยงเห็นลอยพระบาทอยู่นี่งนั้นโอ้ตาย ๆ, ๆเราเนี่ยทำไม่ถูกแล้วกันเรียบเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่า ม, มหากบินถึงท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอารหันต์แล้วก็ตามเป็นพระอาเซกะผู้ไม่ต้องศึกษาแล้วก็ตาม แต่ท่านต้องทําเป็นตัวอย่างให้แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปอันนี้คือหลักพระธรรมวินัยนีย่จะต้องรักษาจะต้องปฏิบัติสม่ำเสมอทุกทุก ท, ทคนถึงวันอุโบสถแล้วต้องลงอุโบสถอย่าไปยกเว้นไม่ได้เพราะฉนั้นท่านต้องทําเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนานะ ขนาดท่านเป็นพระอรหันต์นะท่านก็ยังให้เคารพพระวินัยนะอนี่แหละอนี้ก็คือพระมหากบินจากนั้นมาท่านก็ลงอุโบโสถตามปกติทุกทุกองเว้นเสียแต่อาพาธป่วยเท่าแก่ชลาไม่สามารถที่จะนั่งได้อาพาธชราเนี่ก็อาพาธเหมือนกันนะอไม่ใช่ว่าปวดท้องกระจององเงยจึงค่อยว่าอาพาธไม่ใช่แก่เท่าชลานั่งไม่ไหวนี่ก็จะาอาจัดว่าอาพาธเหมือนกัน นาวก็อาพาธร้อนมากก็อาพาธเหมือนกันเขาว่าอาพาธเนี่ยคือไม่สบายทุกขเวทนาแก่กล้าเหมือนกนี่แหละอันนี้ก็คือพระมหากระดินถึงยังไงก็ตามถึงท่านเป็นราชามหากษัตริย์ท่านก็ยังหาทางพ้นทุกข์จะปฏิบัติธรรมได้อย่างนั้นรู้แจ้งเห็นจริงทําได้อย่างนั้นมีอุปนิสัยเก่าสรุปแล้วมีอุปนิสัยเก่าอย่างที่ได้กล่าวเบื้องต้นว่า อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนะี่ยมาบำเพ็ญในภพนี้ชาตินี้ไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลแต่ใจของเราใ่อยู่สูงอยู่เสมอว่าอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าถ้าชาตินี้เป็นไปได้ขอขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์ในชาตินี้โดยด่วนจะไม่มาขอเวียนไหวตายเกิดอีกเป็นต่อไปจะบำเพ็ญให้ถึกที่สุดในชาตินี้แต่เอาเอถอะทางว่าข้าพเจ้าไม่พ้นทุกข์ในชาตินี้ ขอให้ชาติต่อไปแต่ถึงยังไงก็ขอให้ไปอยู่ในภพภูมิชั้นใดชั้นหนึ่งสวรรค์ชั้นพรมเมื่อพระศอริยะเมตรายลงมาตัดก็ขอให้เข้าไปเจ้าได้มาฟังพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระศิริยะเมตรายก็ขอให้เข้าไปเจ้าได้สําเร็จในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะอันนี้ก็คืออทุกวิญญาณที่ผู้ได้ปฏิบัติธรรมจดคงมีความปรารถนาอย่างนั้น อความปราถนาอย่างนั้นเป็นกิเลสไหมไม่ใช่เป็นมักนะไอ้คคนปราถนาคือคือความเป็นมักคืออยากจะพ้นทุกเออเบนเสียแต่อยากจะร่ําอยากจะรวยอยากจะเป็นราชามหากษัตริย์อยากจะเป็นเศรษฐีพ่อค้าอยากจะเป็นอะไรไปในทางโลกอันนั้นแปลว่าโลภโกรธหลงจะทําให้จิตใจของเรามัวเมาโลภโกรธหลงแต่ถ้าว่าอยากจะพ้นทุกในวันสงสารไม่ขอมาเวียนว่ายตายเกิด อันนี้แปลว่ามักมากระดับเป็นหนทางเป็นหนทางที่จะสู่มรรคผลนิพพานจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นความปรารถนาที่ถูกต้องเป็นความคิดที่ถูกต้องอเป็นความมุ่งมั่นที่ถูกต้องเปัจฉะนั้นพวกเราแยกให้ออกจุดนี้ไม่ใช่ว่าความอยากจะเป็นกิเลสทั้งหมดไม่ใช่ะความอยากไปทางต่ํานะเป็นกิเลสถ้าอยากไปทางสูงเป็นมัก เพื่อจะหาทางพ้นทุกนี่แหละสรุปแล้วก็คือบุญบา ร, รมีการสั่งสมบุญกุศลเนี่ยไม่เสียหายเป็นการเก็บหอมรอมริบไปทีละน้อยละน้อยละน้อยจนถึงวันหนึ่งบา ร, รมีแก่กล้าขึ้นมาเราก็สามารถที่จะตัดกิเลสราคาโทสะโมหะกระจุยกระจายได้แต่ท่านก็บา ร, รมีของท่านพระมหากรบินกับนางอนชา เพราะพระพุทธเจ้าท่งบอกในอดีตชาติของเขามีพระปัจเจกไปสู่ชนบทไปสู่หมู่บ้านของเขานางอโนชาเนี่ยเป็นเป็นผู้แม่บ้านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็พ่อบ้านมีบริวารในหมู่บ้านได้ช่วยกันจัดเสนาสนะเอาคนละหลังละหลังกันเนะเพื่อดูแลพระปัจเจตของเราพระปัจเจกมากเข้าไปในหมู่บ้าน จากนั้นก็ได้ถวายอาโหงได้ถวายอาหารได้ถวายผ้านุ่งหง่มผ้าจีวรต่อพระประเจกผู้ใจเจ้านั่นแหะอา น, นิสง์ในครั้งนั้นเป็นอา น, นินสง์ที่แรงที่สุดมากที่สุดในการดําเนินชีวิตของของท่านมาของครอบครัวนั้นมานี่แหละมันมีจุดเด่นจุดหนึ่งนะในแต่ละชีวิตของคนแต่พบหนึ่งชาติหนึ่งอาจจะทําไปทําไปกับธรรมาดาเนะชื่อบางไม่เชื่อบาง แต่มีจุดหนึ่งที่ได้ทําบุญกับพระพุทธเจา้าที่ทําบุญกับพระอรหันสาวกทําบุญกับพระประเจกพุทธเจา้าอั น, น, นชาตินั้นเป็นชาติที่โดดเด่นถ้าเราได้ฟังในสาวกประวัติอหรือสาวิกาประวัติอย่างนี้ทําไมคนคนนี้เขาทําอะไรเขาจึงได้มาเป็นอย่างนี้อย่างพระสิวณีทําไมจึงรวยพระพุทธองค์ก่นอนสมัยหนึ่งพระพุทธเจา้าปทุมมุตระ คนทําบุญแข่งกันคือพระราชากับประชาชนทําบุญแข่งกันวันนี้พระราชาทําประชาชนดูประชาช น, ชาชนทําอกให้เหนือพระราชาต่อมาอีกพระราชาเหตุตัวเองด้อยก็ทําให้เหนือกว่าประชาชนเลยอย่างในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราก็คือประญาปเสนทำครั้งหนึ่งที่วันนางมาร ก, กาเอาช้างห้าร้อยเชือก มากั้นชัดเนี่ยพระเจ้าเป็นดินชนะข่าวนี่เหาือนกันเด็หมดไปสิบสี่โกดเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมีครั้งหนึ่งเหมือนกันเด็ดอันนี้ข่าวนั่นก็เหมือนกันพระศิวลีที่รวยกับเพราะว่าทําบุญกับพระพุทธเจ้าปทุมมติราชศิวลีเนี่ยเป็นคนชาวชนบทบ้านนอกเั้ืนกนไปไปเห็นลังพึ่งก็เลยไปเอาพึ่งไปได้พึ่งมาใส่ใบใบไม้ คงจะใบตองกุงใบใหญ่ๆมั้งหอ่อลังพึ่งมาเข้ามาพวกที่ทําบุญเลกไอเครื่องไทยทานของเราขาดอะไรบ้างขาดน้ำพึ่งเหมือนอย่างอื่นมีครบหมดยังขาดน้ำพึ่งเหมือนพลที่สุดไป ห, หาน้ำพึ่งเหมือนามาให้ทันเดี๋ยวนี้ด่วนเหมือนคนออกคนอาทิตย์ทางเข้าไปไปเห็นชาวชนบทบ้านนอกมานี่ มีตะหอใบเอาใบไม้หอลังพึ่งมามีน้ำด้วยมั้น้ำพึ่งด้วยเอี่ผัวในส่วนเ็เลยเขาก็ถามเอาจะขายไหมพึ่งเนี่ยขายจะขายเท่าไหร่จะให้เท่าไหร่เอาให้เลยสีกะหาปนะแต่กะหาปนะเดียวก็มันแพงพอแรงแล้วมั้อไม่ขายเท่าไหร่เออเอาแปดไม่ขาย พอในสุดถึงพันก็หาปณะก็ไม่ขายเออบุตรบ้านนอกเลยถามว่าจะซื้อไปทําไมวะทําไมมันซื้อแพงนักมากโอ้เดือนนี้กําลังหาน้ําพึ่งกันอุตรลดเต็มกันเพื่อจะได้ไปทําบุญมันขาดน้ําพึ่งอย่างเดียวที่ทําบุญกับพระพุทธเจ้าปทุมมุตระพระสงฆ์ที่นั่งอยู่เดือนี่เงินทางชายคนเนี้เอ้ยไม่เป็นนะบ้าราผมไปผมไปไปไปผมจะไม่ขายไปไปด้วยกันพอไปก็เตรียมใบบัวไปด้วยงหมือนกั ไปเสร็จแล้วก็บีบล้างมือให้สะอาดแล้วก็บีบน้ำพึ่งลงไปกรองใส่ใบบัวใส่ภาชนะจากนั้นเกิดยกเข้าไปถวายพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าชายคนนี้ไปถึงเขามีอุปนิสัยเก่าแก่อยู่แล้วว่าเขาปรารถนาอยากจะเป็นคนรวยคนหนึ่งือนนะในอนาคตปรารถนาคนโวย พระพุทธองค์กับไปถึงพุทธองค์กัประกาศเนี่ยนี่ลูกศิษย์ของเราตถาคตมีองค์หนึ่งเนี่ยเป็นผู้มีลาภมากกว่าภิกษุทั้งหลายของเราตถาคต่พระพุทธเจ้าปทุมมุตระท่านกล่าวอย่างนั้นท่นี้นายว่านนอกเนี่ยเขาโอ้ซาตุขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นออย่างที่พระองค์นี้แหะที่พระพุทธเจ้าปทุมมุตละประกาศเนี่ย ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีลาภมากในศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าประทุมพุทธลับประกาศลูกศิษย์ของพระองค์น่ยจากนั้นก็ยกน้ําพึ่งเข้าไปก็สาธุสาธุสาธุแห่งความปรารถนาของข้าพเจ้าในครั้งนี้อข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการปรารถนาอย่างอื่นขอให้ข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใด ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตให้เป็นผู้มีลาภมากกว่าภิกษุทั้งหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าประทุมมุตตะประกาศในวันนี้ฮพระพุทธเจ้าประทุมมุตตะท่านก็นมองดูเลยท่านกเล็งไปในอนาคตเถิดไม่ใช่ว่าไม่ใช่ปาถนาแล้วจะได้ทุกอย่างไม่ใช่นะท่านก็เล็งไปในอนาคตเอ๊บุรุษคนนี้จะได้หรือเปล่าเนี่ยว่า ความปรารถนาของเขาจะได้หรือเปล่าพราะพุทธเจ้าก็เล่งพืชไปในอนาคตอะไร่างนั้นเดูในอนาคตต่งสยานเลยปองโอ้ใช่บุรุษคนนี้ในเขาจะได้เกิดอีกนานในศาสนาของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระโคตมะพระโคดมพุทธเจ้าเขาจะมีชื่อว่าศีวลีเขาจะบวชในพระพุทธศาสนาเขาจะเป็นภูมิมีลาภมาก ในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะแต่นั้นพระพุทธองค์ก็ว่บอกเอวังโหตุเอวังโหตุขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาแน่ท่านมองเห็นซะก่อนนะท่านจงให้พรเหมือนกันเถะไม่เหมือนไม่เหมือนพวกเราให้พรพวกเรามีเขตดก็ต้มขนมมาให้พรด่าไปแล้วกันพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะให้พรเนี่ยท่านมองเห็นในความสําเร็จ ของผู้ที่ปรารถนาซะก่อนนะท่านจยาเอวังโหตุเอวังโหตุครับขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จทั้งที่เขาก็พูดอยู่ในใจนะอ่าอันนี้คือความปรารถนาอ่าเนี่แหละเพื่พูดแนวความคิดเราได้ศึกษาอ่าเป็นแนวทางว่าความเป็นมาของพระไตรปิฎกอ่าธรรมปฏตทัตถาในพระไตรปิฎกท่านบําเพ็ญสาวกประวัติมาเป็นอย่างไรเนี่ย หลวงพ่อได้กล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้ฟังแต่ถึงอย่างไรหลวงพ่อว่าเอาพ้นทุกข์ในวัตะสงสารชาตินี้ดีที่สุดเกิดมาพบใดชาติใดถึงจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนเกิดแก่เจ็บตายก็จ ะ, จะย่ำยีเราอยู่ไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้มันทุกจริงๆเมื่อใจจะขาดทุกขเวทนาจุดนั้นทุกจริงๆ เราจะเกิดกี่พบกี่ชาติเกิดชาติใดพบใดชาติใดก็มีแต่ความทุกข์อยู่อย่างนั้นเอาให้พ้นทุกข์ในวันตัะสงสารในชาตินี้ดีที่สุดนะหลวงพ่อว่านะจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ได้ให้เดินมักให้ดูกายให้ดูกายให้ดูใจให้ดูกายนะคืออะไรกายของเราเนะี่ยเต็มไปด้วยราคะโทสะใจของเรามันเต็มไปด้วยโมหะคือความหลง ถ้าไม่หลงสักก่อนมันก็ไม่โกรธถ้าไม่หลงสักก่อนมันก็ไม่โลภถ้าไม่หลงสักก่อนมันก็ไม่รักเพราะนั้นเราดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจการปฏิบัติอย่าไปดูที่อื่นว่าอย่องแต่แต่ดูแต่ใจอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าดูแต่ใจอย่างเดียวมันจะเหลีวเพราะนั้นต้องดูกายด้วยดูกายเป็นหลักดูกายทาไมจมีกายมันหลงอะไรกับกาย กายของเราทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ hey. ทั้งที่มันอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจึงให้ความสำคัญกับมัน hey. ใจของเราก็ดูกายพอดูกายเสร็จก็ดูใจ hey. <Hey. S 1> จากนั้นก็ปล่อยผลที่สุดธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนะ uh, ผลที่สุดปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจรู้เท่ารู้ทันที่ใจเม hey. <Hey. S 2> ื่อรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ปล่อยวาง นี่แหละพรทหันอยู่ที่ใจเ็ไม่อยู่ที่อื่นนะอยู่ที่ใจโอ้วันนี้ได้พูดเสียืดยาวนะตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร